สิบหกผู้มีขันติเป็นกำลังพระพุทธภาษิตอกโกสังวัฒพันทัญจะอทุโทโยติติกคติขันติพลังพลานีกังตัมมหังผูมิพรามนังแปลว่าผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั่นต่อการด่าการประหารได้การจองจำได้ เราเรียกผู้นั้นผู้มีกําลังคือขันติประกอบด้วยหมู่พลคือขันติว่าเป็นพรามผู้ไม่ประทุษร้ายคือไม่ทําร้ายใครด้วยกายหรือด้วยวาจามีความอดกลั้นต่อคําด่าคํรุ่งเกินของผู้อื่นเช่นอดกลั้นต่ออักโกสวัตถุสิบอดกลั้นต่อการประหารมีประหารด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้และสัตราเป็นต้น ด้วยมีคติเตือนใจแบบพระปุณณะว่าเขาด่าดีกว่าเขาตีเขาตีดีกว่าเขาประหารเขาประหารด้วยสตราก็ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวตายบุคคลเช่นนั้นชื่อว่ามีกําลังคือขันติมีพวกคือขันติผู้เช่นนั้นแหละพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นพรามเรื่องนี้ภาษาสดาทรงแสดงเมอปทับอยู่ในเวรุวัน ทรงปรารภพราหมณ์อกโกสภารัตวาชะมีเรื่องย่อดอังนี้พระมณีคนหนึ่งชื่อทนัญชานีภรรยาของภารัตวาชะพราหมณ์นางเป็นโสดาบันเมื่อนางจามหรือไอหรือพลาดพลัง้งก็จะกล่าวคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าว่านะโมตัสสะปะคะวโตเป็นต้นวันนั้นภารัตวาชะพราหมณ์ เชิญสมณพราหมณ์หลายคนมาเลี้ยงนางทานานชานีพลาดอะไรเข้าหน่อยหนึ่งจึงเปล่งเสียงนโมตัสสะอย่างที่เคยปากพราหมณ์ผู้สามีโกรธมากด่าว่าหญิงถ่อยคนนี้พลาดอะไรลงหน่อยก็กล่าวคําสรรเสริญพระสมณหัวโล้นทุกครั้งไปเราจะไปโต้วาทะกับพระสมณโคดมนางทานานชานีกล่าวว่าไปเถิดพราหมณ์ ฉันไม่เห็นใครจะโต้วาทะกับภาษาสดาของฉันได้เออก็เมื่อไปแล้วจงทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพรามนั้นไปสู่สำนักของภาษาสดาโดยเร็วหัวงเล็บด้วยความโกรธไม่ถวายบังคมภาษาสดาเลยยืนถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศร้าโศก พระโคโดมชอบใจการฆ่าอะไรว่าเป็นธรรมอันเอกพระศาสดาตตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก พราหมณ์ฟังพระดำรัสตอบแล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุภาราะตะผลโดยการไม่นานนักพราหมณ์อีกคนหนึ่งเป็นน้องชายของเขาชื่ออักโกสภารัตถวาชะได้ทราบข่าวว่าพี่ชายบวชในสำนักของพระศาสดาเขาโกรธมากมาด่าว่าพระพุทธเจ้าด้วยวาจาหยาบคายต่างๆแม้เขาก็เหมือนกัน เมื่อด่าจนเหนื่อยแล้วเห็นพระศ า, าสดาไม่โกรธก็เลื่อมใสตั้งใจฟังธรรมขอบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลเหมือนกันน้องชายอีกสองคนของพราหมณ์นั้นคือสุนทริกะภารัตวาชะหนึ่งพิลังกะภารทวาชะหนึ่ ง, ง, งได้ไปเฝ้าพระศาสดาทานองเดียวกันกับพี่ชายทั้งสองได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเลื่อมใสขอบวชได้บรรลุอรหัตผลทั้งสิ้น วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าคุณของพระพุทธเจ้าน่าอาศัศจรรย์จริงเมื่อพราหมณ์สี่คนมาด่าพระพุทธองค์มิได้ตัดอะไรเลยกลับเป็นที่พึ่งของพราหมณ์ทั้งสี่คนเสียอีกพระาศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในบุคคลผู้ประทุษร้ายเพราะเรามีกําลังคือขันติ ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นที่พึ่งของมหาชนได้ดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าอกโกสังวัตพันธัญจะเป็นอาทิมีระยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะใช้ได้เป็นสาธารณะทั่วไปเนี่ยสมกับพุทธภาสิตที่ว่าถ้าเราจะเอาชนะความโกรธก็ต้องชนะด้วยความไม่โกรธนี่ถ้าจะเอาชนะด้วยความโกรธ มันก็จะเป็นไฟลุกไหมเผาตัวเองนี่ถ้าเราเย็นได้มันก็ชนะได้ทั้งปวงขันติฮิตะสุขาภาหะผู้มีความอดทนย่อมนำความสุขมาให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตแังนบุคคลจึงควรมีขันติธรรมความอดทนนี้เป็นสิ่งประเสริฐน ทำให้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายในทิศทั้งปวงสิบเจ็ดผู้มีสรีระชิ้นสุดท้ายพระพุทธภาษิตอกโกทนังวัตตะวันตังศีละวันตังอนุสตังทันตังอันติมาสารีรังตะมะหังพรูมิพรามะนัง แปลว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดดีมีศีลไม่มีตันหาเครื่องให้ฟูขึ้นฝึกตนแล้วมีสริระชิ้นสุดท้ายว่าเป็นพรามความโกรธคือความขัดเคืองใจเหมือนมีอะไรมาขัดอยู่ในอกในใจด้วยเหตุนี้กระมังคนจะโกรธเมื่อมีคนมาขัดใจวิธีไม่ให้โกรธคือเอาชนะความโกรธก็คือความไม่โกรธ ทำอะไรจึงจะไม่ให้โกรธท่านสอนว่าต้องใช้น้ําคือเมตตาและการให้อภัยคิดเสียว่าเขาทําไปเพราะไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาได้ทําอะไรลงไปแบบที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงกระทําเป็นตัวอย่างมาแล้วมากเรื่องข้อว่ามีวัดดีนั่นคือเป็นผู้ได้รับการอบรมมาดีแล้วในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และกิริยาบริยาาอันดีงามรู้ที่ต่ำที่สูงที่อันควรและไม่ควรแก่ตนข้อว่าผู้มีศีลได้แก่มีความสารวมในปาติโมกสารวมอินรีหเลี้ยงชีพบริสุทธิ์มีปัญญาในการบริโภคปัจจัย4ข้อว่าไม่มีตัณหาเครื่องให้ฟูขึ้นความว่าโลกย่อมฟูขึ้นดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปเพราะตัณหาสมดังพระพุทธภาสิทว่า ตันหายะอุทิโตโรโกชรายะปริวาริตโตมัจจุนาปิหิโตโลโกทุกเขโลโกปฏิติโตแปลว่าโลกฟูกขึ้นเพราะตันหาถูกชราแวดล้อมไว้ถูกมัจจุราชปิดทางตั้งอยู่ในทุกข์เมื่อละตันหาได้ชื่อว่าได้ตัดเครื่องผูกทุกอย่าง ข้อว่าฝึกตนแล้วอธิบายว่าฝึกตนให้เป็นผู้ไม่มีตัณหามาณทิติเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วควรแก่การงานบุคคลที่ฝึกตนแล้วควรแก่การเคารพนับถือควรแก่ของคำนับของตอนรับของทำบุญจิตที่ฝึกดีแล้วควรแก่การทำกรรมฐานข้อว่ามีศรีระชิ้นสุดท้ายอันติมสารีรัง หมายถึงพระขี่นาศผู้ไม่ต้องเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปสิริระของท่านที่มีอยู่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายบุคคลเช่นนี้แหละตรัดเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ภาษาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเวรุวันทรงปราบพรพสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เช้าวันหนึ่งพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุหลายรูปรวมทั้งพระราหุนด้วย ได้เข้าไปบิณทบาทที่หมู่บ้านนาละกะได้ไปยังเรือนแห่งมารดาของท่านมารดาของพระสารีบุตรถวายอาหารไปและด่าไปด้วยทํานองว่าเมื่อไม่ได้ของที่เป็นเดนน้ําข้าวที่เป็นเดนคือของเหลือกินก็สมควรจะกินน้ําข้าวที่ติดอยู่หลังกระบวยในเรือนของคนอื่นท่านสละทรัพย์80โกรออกบวชท่านทําให้เราชิบหายเสียแล้วจงบริโภคเถิด และแล้วนางได้ด่าว่าภิกษุทั้งหลายอื่นด้วยว่าบุตรของเราถูกท่านทั้งหลายนำไปเป็นคนใช้ของตนเสียแล้วบัดนี้จงบริโภคเถิดพระเถระรับอาหารแล้วกลับสู่วิหารเวรุวันพระราหุล น, นำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนกันราหุลตัดถามที่บ้านย่าพระเจ้าข่าทูลตอบ อ๋อญาพูดอย่างไรกับอุปชัยยะของเธอบ้างพระอุปชัยยะของข้าพระองค์ถูกญาด่ามากพระเจ้าข่าพระราหุลเล่าถวายว่าญาด่าพระอุปชัยยะอย่างไรบ้างแล้วอุปชัยยะของเธอพูดอะไรบ้างไม่เลยพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องนั้นแล้วสรรเสริญภาษาลีบุตรว่ามีคุณน่าอัศจรรย์พระผู้มีพระภาคหมายเอาภาษาลีบุตรนั้น และตัดพระคาถ า, าว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่โกรธมีวัดดีเป็นต้นว่าเป็นพรามมีนะยะดังพารนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เรื่องของภาษารีบุตรนี่แม่ท่านยังเสียใจว่าพระเจ้าหรือภิกษุทั้งหลายแนะนำเอาลูกชายแทบทุกคนเลยไปบวช น, นี่ก็เลยโกรธเคืองอยู่ในใจนให้อาหารอยู่แต่ก็ด่าไปด้วยน้องนี่แต่ ก็ด้วยเหตุนี่แหละภาษารีบบทก็สงสารแม่ในคติของเรานีท่านสงสารแม่ท่านก่อนจะนิพพานท่านจะได้ลาพระพุทธองค์นีบอกว่าอย่างไรก็ต้องไปโปรดแม่ให้เกิดสมาธิิก่อนเพอถ้าแม่เขินมีจิตเศร้าหมองลักษณะนี้ก็เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันไปแน่นอนเมื่อท่านอาพาธหนักใกล้จะนิพพานท่านก็เลยขอลาพระเจ้า ไปขอไปนิพพานที่บ้านเกิดขึ้นบ้านนาลกะถ้าเราไปอินเดียก็จะอยู่ใกล้ใกลกับนาลันผามหาวิหารหรือมหาวิทยาลัยนารันผาแถวนั้นแหละเนี่ยเมื่อท่านไปแล้วถ้าเราไปขอแม่ขอแม่ว่าจะขอไปพักอยู่ในห้องที่ท่านเกิดเนี่ยแม่ก็จัดให้ก็แถมไม่พอใจนะโอ้ อายุตั้งมากแล้วสงสัยเบื่อแล้วมัง้งกลับมาสงสัยจะสึกลมัง้งไม่ว่าอย่างนั้นคือยังไม่รู้ยังมีความคุณนอยู่ในใจเหมือนท่านไปในห้องท่านก็อาพาธอาพาธของภาษาลีบุตรนี้ท่านบอกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ่ายเป็นโลหิตดัะนั้นผู้ปฐานีต้องเอากระโถนออกไปบ่อยๆถ่ายเป็นเลือดนั่นแหละเปลี่ยนไปบ่อยๆ บังเอิญเพื่อจะสรนเสริญบารมีหรือคุณธรรมของท่านเนี่ยในคืนนั้นท่าก็กล่าวเชิญกับพินิหารนิดหน่อยว่าพวกเทพเทวด า, าพรหมทั้งหลายก็มาช่วยดูแลอุปถาคนเนี่ยทั้งเทพทั้งหลายจนกระทั่งถึงพรหมในคืนนั้นก็นางพรามณีที่เป็นแม่พระสายบุตรเขาก็เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่เลยจนถึงสว่างเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีแสงสว่างปรากฏขึ้นเนี่ย ก็ ه, จะตาลูกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกเราเนะี่ยพอเช้ามาก็รีบไปหาบอกว่าเมื่อเที่ยงคืนหรือล่วงมัชิมยามไปมีแสงสว่างมากแล้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีใครมาก็บอกว่าพวกพรมทั้งหลายมาหาท่านอ่าี่กล่าวโดยสรุปนะว่าพรมที่ไหนพรมที่แม่ว่าอยู่นั่นแหละว่าหมายถึงพรมที่แม่ว่าอยู่ เอาเข้ามาหาลูกทำไมเนี่ยเขาก็มาเทเกระโถนทะเเนี่ยนะมาอุปถากมาช่วยทำความสะอาดโน่นนี่นี่นางก็เลยคิดบอกว่าพรมที่แม่นับถือรืยยังมาอุปถากลูกอีกเล ย, เยบอกว่าใช่แล้วนก็เลยได้คิดว่าโอ้อานาจหรือบรารมีลูกของเราเห็นป่านนี้ ถ้าเป็นภศาษศาสดาเป็นอาจารย์ของเขาเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยเท่านั้นแหละนางก็เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสมีปิติทั่วสารพังกายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาสู่สัมมาทิฏฐิเนี่ ย, ยก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเนี่ยภาษาริบุติเห็นอาการลักษณะนั้นว่าเพียงพอแล้วที่ดึงแม่เข้ามาสู่หนทางนี้ได้ก็เพียงพอที่จะต่อคุณธรรมให้แม่ ไปในทางที่ดีได้ท่านก็ถึงนิพพานนั่นเป็นเรื่องของภาษาลีบุตรโดยย่อๆสิบแปดเหมือนน้ำกับใบบัวพระพุทธภาษิตวาริโปคะระปะเตวะอาพระเคริวะสาสะโปโยนะลิปติกาเมสุตะมหังพรูมิพรามนังแปลว่าผู้ใดไม่ติดการมทั้งหลาย เหมือนน้ำไม่ติดใบบัวเหมือนเมล็ดผักกาดไม่ติดปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมอธิบายผู้ตุชนส่วนมากหรือแทบทั้งหมดเป็นผู้ติดในกามชาวโลกทั่วไปมีความเห็นได้รู้สึกว่ากามมีรสหวานอร่อยจึงติดอกติดใจยอมเสี่ยงอันตรายแม้แห่งชีวิตเพื่อกามคาว่ากามในความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงโลกิกยรส หรือความเอิบอิ่มอันเกิดจากการร่วมเพศแต่ในทางทำความหมายไปกว้างกว่านั้นคือหมายถึงทรัพสมบัติหรือสิ่งอันน่าใคร่น่าพอใจทั้งปวงที่มองเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูลิมได้ด้วยลิ้นดมได้ด้วยจมกูกสัมผัสได้ด้วยกายเมถุนกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ติดตามมามาก มันเป็นความสุขที่ต้องเหนื่อยเสียก่อนความลำบากยากเข็นที่เกิดจากผลของกามหรือความเหน็ดเหนื่อยของผู้ที่พยายามจะเสพกามมีมากเพียงใดก็ได้เห็นกันอยู่แล้วส่วนพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปท่านตัดกรรมราคะได้แล้วไม่ต้องขวนขวายสิ่งใดเพื่อกามอีกมีความสุขอยู่ด้วยความสงบประณีตสุขที่ไม่ต้องเหนื่อยเสียก่อนแต่เป็นความสุขสงบเย็นมีปิติ อันละเอียดสุ ข, ขุมแผรทราบซ่านอยู่ในใจคนทั่วไปกลัวว่าเมื่อไม่มีความสุขทางกามแล้วก็เป็นอันหมดความสุขในชีวิตนั้นความจริงยังมีความสุขอื่นอันไม่เจือด้วยกามอยู่อีกถึงเก้าชั้นละเอียดประณีขึ้นไปโดยลำดับถ้าเปรียบด้วยร้อยกามมาสุขก็เพียงสิบเท่านั้นอีก90้าเป็นสุขที่เหนือกามแต่ตราบใดที่สละ การมาสุกวงเล็บอันเป็นเพียงสิทธ์อย่างไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะได้สุก90นั้นเพราะสุขนั้นเขามีไว้ให้คนที่ละการ ม, มาสุกได้แล้วเท่านั้นผู้ไม่ติดในกามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเชตวันวิหารทรงปรารบเรื่องพระอุบลวร น, นาเถรีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ เรื่องนี้ก็มีพิสดาลแล้วในภาละวัคควันานาอัตตกถาธรรมบทภาคสามแห่งทางแห่งความดีเล่มที่หนึ่งหน้าห0 9ความยอ่อว่าพระอุบลวันานาเทรีพักอยู่ในกุติอันตั้งอยู่ในป่าถูกนันธมานบข่มขืนภิกษุและมหาชนสนทนากันว่าแม้พระอุบลวันานาเทรีจะเป็นขีณาสกก็จริงแต่คงจะต้องยินดีในการมาสุขเพราะเนื้อหนังยัง มีอย่างสดอยู่พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าพระขีณาสพไม่ติดในกามประสบเหมือนน้ำไม่ติดใบบัวลังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเพราะกําลังแห่งโลกิยะกับกาลังแห่งโลกุตละมีความแตกต่างกันมากแตกต่างจนมองไม่เห็นที่ทนเปรียบเทียบ ว, ว่าสุขที่ยิ่งกว่ากามยังมีอยู่อีก ถ้าเทียบร้อยก็ตั้ง9ก้าสิบนสุขที่อาศัยการเพียงสิบเท่านั้นสแสดงว่ายังมีสิ่งที่ให้ความสุขที่ไม่อิงด้วยอามิตรนั้นมีอีกมากอยู่เนี่ยสมกับที่พระองค์ตรัสว่าสุขเกิดจากความสงบรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างไรเนี่ยความละกิเลสตัณหาหรืออสมิมาณะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นก็เปรียบแต่เห็นชัดว่า ความสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่อิงอาศัยกามปาะสขนั้นมีอยู่เนี่ยแต่เราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้รู้ให้เห็นสิ่งนั้นถึงจะเกิดความเข้าใจได้สิบก้าผู้ปรงภาระได้แล้วนพระพุทธภาษิตโยทุกขัสสะปชานาติอิเทวะขยมัตตโนปันนะ พารังวิสังยุตตังตะมหังผูมิพรามะนังแปลว่าผู้ใดในศาสนานี้รู้ความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเราเรียกผู้นั้นผู้มีภาระอันปรงได้แล้วผู้หลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามคำว่าทุกข์ในที่นี้พระตกระถาจาร์อธิบายว่าหมายถึงขันทะทุกขได้แก่ความทุกข์อันเกี่ยวกับปัจจขัน คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความทุกข์แห่งสังขาร น, นั้นกาหนดเห็นได้ด้วยทุกข์ดังต่อไปนี้หนึ่งสภาวัตขุทุกประจําสังขารได้แก่ความเกิดความแก่ความตายสองปะกินลกะทุกข์คือทุกจรได้แก่ความเศร้าโศกความขมครวนความทุกโทมนัตและความขับแคน 3. นิพัธทุก คือทุกหนึ่งนิดทุกบ่อยๆได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะ 4. พยาที่ทุกข์คือทุกขเวทนาได้แก่ทุกที่เกิดจากโรคต่างๆ 5. า, าสันตาปททุกคือทุกร้อนด้วยอำนาจกิเลสมีราคะเป็นต้นหกวิปากระทุกหรือผลของกรรมได้แก่ความร้อนใจอันเกิดจากการระลึกถึงกรรมชั่วของตนหรือ การถูกลงอาดยาความชิบหายความตกยากการต้องตกอบาย 7. สหคตะทุกทุกไปด้วยกันหรือทุกกำกับกันคือมีสิ่งใดก็ต้องทุกต้องกังวลด้วยสิ่งนั้น 8. อาหารปริเยตที่ทุกทุกในการหากิน 9. วิวาทะโมล ก, กทุกข์ทุกเพราะการวิวาทกัน 10. ทุกขขันคือ ทุกรวบยอดคือปัญจขันธ์นั่นเองแสดงในบาลีธรรมจักกะปวัตนสูตรว่าว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกขแสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้วงเล็บคือเพราะมีอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปเป็นต้นผู้ใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกของตนรวมความว่ารู้แจ้งซึ่งอริยสัจ ปฏิจจสมุมบาทพระตถาคดเจ้าเรียกบุคคลผู้นั้นผู้มีภาระอันปร่งแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามขันห้าท่านเรียกว่าภาระดังพระพุทธภาษิตว่าภาราหะเวปัญจักขันธาเท่ากับขันห้าเป็นภาระอันหนักที่หนักเพราะต้องให้กินให้อาบให้นั่งนอนยืนเดินอย่างสม่ำเสมอต้องเยียวยารักษาเมื่อเจ็บป่วยลองนึกถึงทุกสิบประการดังกล่าวว่าจะเห็นว่า เป็นทุกข์เพราะมีขันเป็นหมลการโปรงภาระคือขันห้าเสียได้เป็นความสุขสมดังพระพุทธภาษิตว่าภาระนิเขปนังสุขขังเท่ากับการปรงภาระเสียได้เป็นความสุขผู้ปรงภาระได้แล้วคือเป็นพระขีนาสบแล้วเมื่อไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้ก็เป็นผู้หลุดพน้นวิสังยุตตังบุคคลอย่างนี้แหละเป็นพรามในทศนะของพระบรมศาสดาเรื่องนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อพระทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารพรามคนหนึ่งมีเรื่องย่อดอังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้บัญญัติสิขาบทเรื่องห้ามทาตที่นายยังไม่อนุญาตบวชทาตคนหนึ่งของพราหมณ์หนีไปบวชบรรลุพระอรหัสต์แล้ววันหนึ่งพราหมณ์นั้นพบเขาเป็นภิกษุเข้าไปบิณฑบาตกับพระศาสดาจึงขว้าจีวรไว้อย่างมั่นคง พระศาสดาตรัสว่าพราหมณ์ภิกษุนี้โปรงภาระเสียได้แล้ววงเล็บเป็นพระอรหันต์แล้วพราหมณ์เข้าใจในพระดํารัสของพระาศาสดาพระพุทธองค์จึงตัดสอนพราหมณ์ว่าพราหมณ์เราเรียกคนที่รู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนผู้ปร่งภาระแล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพราหมณ์มีนะยะดังพรณนามาแล้วแต่ตนพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปติผล อันยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันละเคตาปาติที่นำมาเล่าสู่ฟังหรืออ่านสู่ฟังน เป็นพระธรรมบทจะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์วสินอินทสระนชื่อเรื่องว่าทางแห่งความดีเนี่ยอันนี้เป็นเล่มที่สี่เล่มสุดท้ายเนี่ยยังไม่จบอีกประมาณสัก 2-3 งสามวันน่าจะจบ <c oughs> ก็เป็นการจบบริบูรณ์ของทางแห่งความดีเนี่ย ซึ่งท่านก็คัดมาจากนิทานธรรมบทในพระไตรปิฎกแล้วม า, เ, าเขียนให้เป็นภาษาที่ทันสมัยเข้าใจง่ายๆสำหรับคนยุคใหม่เ่ก็ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่มีความเด่นมากแม้แต่ ที่ท่านเรียนประเรียน ร, รมเวลาเรียนภาษาบาลีแปลบาลีเนี่ยก็ต้องเอาธรรมบทนี่แหละไปแปลเน่ยสาเหตุที่ให้แปลเรื่องธรรมบทนี้ก็เข้าใจว่าเวลาแปลไปอาจจะได้ซึมซับธรรมะเนี่ยที่มีความละเอียดสุขมุมเนี่ยเข้าไปในจิตในใจใได้ด้วยนแปลบ่อยๆซ้ำบ่อยๆเนี่ย ความประทับใจความกินใจก็น่าจะมีเนเพราะว่าในธรรมบทนี้สะพ่อหัวข้อพุทธภาสิตนี้ก็กินใจกินใจจ น, นกระทั่งว่าดังไปทั่วจะเรียกว่าทั่วโลกแห่งพุทธศาสนาในยุโรปหลายประเทศเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับภาษ า, ษาธรรมบทเน่อย่าไปภาษาอังกฤษ่ไปแปลแล้วแปลอีกน ซึ่งเป็นภาษาที่กินใจนี่แม้ไม่อธิบายขยายความมากแต่ในคาถาก็กินใจให้คิดอยู่ในตัวนี่เป็นข้อคิดเป็นพุทธภาษิตนั่นแหละนสารผู้ที่อย่างพระท่านมาบวชท่านไปสอบก็จะมีภาษิตอันนี้ที่เขาจะต้องถามเนเวลาถามธรรมะก็ดีหรือเวลาเรียงความเ่ เรื่องธรรมะก็ดีก็มักจะมีนิทานธรรมบทเน่แล้วก็มีพุทธภาสิทีิตัดไว้ในหลายที่ในพระไตรปิฎกทั้งสนั้นเ่ซึ่งถือว่าถ้าเป็นวรรณกรรมก็เป็นวันวรรณกรรมชิ้นเอกเลยทีเดียวในเรื่องธรรมบทเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจง่ายเพราะมีข้อประมาประมาณมีนิทานประกอบทำให้เห็นภาพพจน์ชัดเจนมากขึ้นว่างั้นแหน่ ถ้าคนเบื่อในการศึกษาธรรมะบางทีธรรมะฟังแล้วไม่เข้าใจอึดอัดเนี่ยมันือไปหมดถ้าศึกษาเรื่องธรรมบทนี่ก็จะเกิดความเข้าใจได้ง่ายเนี่ยอย่างชาดกก็ดีธรรมบทก็ดีเนี่ขาเรียกว่าจะมีปุกลาทิฐานประกอบเพื่อให้เข้าใจในหัวข้อธรรมนั้นได้ง่ายขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าธรรมะของพระเจ้ามีส่วน มีสองส่วนส่วนธรรมมาธิฐานกับปุกรลาทิฐานธรรมมาทิฐานนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจธรรมะได้ดีไม่ต้องยกตัวอย่างอะไรมากพูดสั้นๆบนรรลุธรรมเลยเห็นไหมถ้าเราได้ฟังคาสอนพระอาจาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนีฟังเทศสั้นๆถึงเราไม่รู้เรื่องเลยแ ต, แต่พระ สาวกแต่ก่อนท่านฟังแล้วท่านบรรลุพระังหันไปเลยนี่สั้นๆเนี่ยแต่ท่านเข้าใจนี่นั่นเรียก ว, ว่าท่านพูดธรรมะที่ฐานอย่างเดียวเนี่ยอย่างพูดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่พูดแค่นี้ท่านก็เข้าใจเนี่ยไม่ต้องเปรียบเทียบด้วยข้อประมาทประไมอะไรเลยเนี่ยหรือพูดเรื่องอ น, นิจจังทุกขังนัตตนี้อธิบายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยถึงความเป็นทุกข์ ถึงความไม่ใช่ไม่มีตัวไม่มีตนต่างๆนี้พูดแค่นี้ได้ก็เข้าใจเนี่ยเกิดละเกิดวางอุปทานความมั่นหมายนั้นได้เนี่ยดังจะว่าแสดงทำมาที่ฐานล้วนๆเนี่ยแต่ปุกะลาที่ฐานนี่สําหรับคนที่เข้าใจยากเนี่ยจะต้องมีข้อเปรียบเทียบมาอุ ป, อปไปเนี่ยเอ้มันนี่มันห ม, มายหมายคำว่าอะไรอ้าวก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนนี่แหละก็ยกตัวอย่างมาเนี่ย เหมือนแบบเหมือนเรากินข้าวนั่นแหละเนี่ยเรากินข้าวเราก็ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องกินลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยบางทีพูดตรงๆอะไรไม่เข้าใจก็ต้องขยายความลักษณะนี่แหละต้องมีข้อประมาณไปเนี่ยเหมือนฝรั่งชาวสเปนเลยถามหลวงพ่อชาว่าที่ดังมากเลยคำถามนี้ คำบัตรถามแบบซื่อเื่อเหมือนกันนะถามหลวงพ่อปฏิบัติทําไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรถามเป็นสามหัวข้อเนี่ยท่านก็ตอบเร็วเหมือนกันนะตอบท่านถามว่าโยมกินข้าวทําไมโยมกินอย่างไรกินแล้วเป็นอย่างไรเท่า น, นี้แหละก็งงงงเหมือนกันนะตอบแบบนี้ก็งง เมื่องงถามว่าเข้าใจไหมก็ยังแม่เข้าใจเนี่ยเอา้ามันก็บ่นกับคุณกินข้าวเนี่ยคุณกินอย่างไรไม่ต้องอธิบายแค่คุณกินข้าวอคุณกินอย่างไรกินข้าวเนี่ยอย่างนี้น้อยก็อา้าวถ้าใช้ช้อนก็เอาช้อนมานมาตักข้าวใส่ปากได้ไหมตักแกงใส่ปากได้ไหมตักนึนตักนี่ใส่ได้ไหมเนี่ยถามว่ากินทําไมก็เพราะว่ามันหิวมันต้องการอันนี้ก็มีคําตอบอยู่แล้วเนี่ย กินอย่างไรก็อ้าก็ไม่ต้องบบนั้นแล้วเมื่อกินอเมื่ออิ่มแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละท่านบอกอที่นี้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติปัญญานิดหนึ่งทำไมคุณเคยเนี่ยทำไมถึงปฏิบัติเนี่ก็เพราะมันมีปัญหามันมีทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรเนี่ย แต่สัตว์ทั้งหลายนั้นมีทุกข์เป็นพื้น เ, เพราะความทุกข์นั่นแหละก็พูดง่ายๆก็เพราะหิวนั่นแหละถึงจะต้องกินข้าวเนะี่ยถึงหาข้าวหากลับมากินนะเนี่ยอย่างเรามีํำน ว, นวนว่าถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่มาวัดทรรนองนี่นะถ้าทุกข์เราเห็นหน้ามาถ้าสบายเราหายหน้าไปมดเนี่ยพอนานๆเห็นหน้าโผล่มาเออเป็นไงโอยไม่สบายใจครับไม่สบายใจครับนั่นก็คือทุกข์ มันก็เลยให้สแสวงหาปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุมันก่อนมันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถ้าทุกข์เพราะหิวข้าวก็ต้องกินข้าวถ้าทุกข์เพราะไปเตะต่อตีนมันบาดตีนเป็นแผลก็ต้องหายาย ก, กันหนึ่งมาใส่เนี่ยทุกทางใจนี่ก็เหมือนกันความทุกข์ก็ถามหาเหตุมันก่อนทุกข์เพราะอะไรเนี่ยเ่อรู้สาเหตุของมันก็เอายาใส่ให้มันถูกหรือทําให้ถูกกับเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความดับทุกข ก็ไม่ต้องถามแหละถ้ามันเจ็บแล้วมันโรคภัยมันหายจากเจ็บป่วยมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวนกินข้าวอิอ่มมันก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวเนี่ยนี่ก็ไม่ไม่ต้องสงสัยอันตาไม่เข้าใจอะไรก็ต้องยกตัวอย่างอย่างนี้แหละนะถยกตัวอย่างเี่เป็นปุคลาทิฐานนะจึงเกิดความเข้าใจได้ น, ะนี่ธรรมะมีส่วนละเอียดมีความลึกซึ้งเยอะอยู่นะีย ถ้าเราไม่ใส่ใจหันหลังให้นี่ก็โอ้ยมันพื้นๆก็ไม่รู้เลยนะนี่บางทีก็น่าเสียดายนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยคนที่จะเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาจริงๆนมีเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าชาวพุทธมี 90% บกว่าเปอร์เซ็นต์นี่เขาว่าเก้เนี่ยแต่คนเข้าใจเรื่องศาสนาจริงๆเนี่ยเคยถามเล่นๆนะ เรื่องศีลเรื่องอะไรนี่ยังตอบไม่ถูกเลยเนี่ยบางทีถามศีลห้ายังตอบไม่ถูกเลยเมีชุดหนึ่งนักศึกษามาชั้นมัธยมม า, มาไม่รู้เรื่องศีลเลยเถามศีลคืออะไรครับศีลคืออะไรอบอกปานามันก็ไม่รู้แหละบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์นี่ยทาไมถึงห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยอ คนก็ต้องหาอยู่หากินมันกับว่าไปตามเรือไม่เข้าใจขนาดนั้นนะี่นั่นก็คือโทษของการไม่ได้ศึกษาเนะี่ยแต่ก่อนนี้เราอยู่ใกล้วัดใช่ไหมนะวัดอยู่โรงเรียนอยู่ในวัดนะวัดอยู่ใกล้กับลูกชาวบ้านเนะี่ยมันก็เลยมีความสัมพันธ์กันระหว่างวัดกับบ้านนะเัเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญก็เลยพูดกันง่ายหน่อยเนะี่ยแต่สมัยใหม่มทันสมัยก็ว่าพระโกโหก หลอกเลยเลี้ยงพูดเรื่องบาปเรื่องบุญมันยิ่งไม่เชื่อเลยนะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยอนรกสวรรค์ไม่กลัวในสมัยนี้ไม่เห็นเนี่ยไปพูดเรื่องนั้นเรื่องเก่าๆมันไม่เข้าใจหรอกต้องเชื่อเห็นในปัจจุบันเนี่ต้องบอกนรกในปัจจุบันสวรรค์ในปัจจุบันให้เขาเห็นเขาถึงจะเชื่อได้เนี่ยด้าเราเป็นผู้นําเป็นพ่อคนแม่คนหรือเป็นผู้นําเนี่ยอ ไปยกเอาสิ่งอื่นๆที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันยากอยู่ต้องสอนให้เห็นในปัจจุบันเนี่ยอยากเห็นนรกเลยออยากเห็นก็ไม่ยากหรอกสอนอย่างเซนเลยนั่งอยู่ได้เราค้อนตีหัวกันที <c oughs> ค้อนไปตีหัวเลยตีหัวใครก็ได้เนี่ยนรกเกิดขึ้นทันทีเลยแหละเนี่ยอยากเห็นสวรรค์เลยฮะยกมือไหว้สวัสดีครับสบายดีไหมครับอย่างงี้นก็เป็นสวรรค์ขึ้นมันไม่ยากเลย นี่ธรรมะนี่จริงๆธรรมะของพระเจ้าพิสูจน์ได้แม้ในปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตแต่แต่ก่อนมันคนมันเชื่อคือมันคนไม่ดื้อไงพูดง่ายเนี่ยอย่าทําบบนี้นะลูกวันบาปนะมันก็เชื่อไงมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยความเชื่อมันก็ได้เชื่อมโยงไปให้เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยไอความไม่เชื่อนี่ถ้าไม่มีเหตุผลเนี่ยมัสอนยากเลยเด็กสมัยนี้เพราะมัน มันเก่งกว่าพ่อกว่แม่พ่อแม่สอนไม่ได้มันเลยกลายเป็นเด็กดื้อสอนยากเนี่ยเราต้องเก่งกว่ามันเนีต้องฉลาดกว่ามันมันถึงจะเอามันได้นี่ความฉลาดนี่อยู่ในคําสอนพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดนั่นแหละถ้าเราศึกษาจริงๆนะทันสมัยอยู่เสมอไม่ล้าสมัยนี่ยเรื่องศีลเรื่องธรรมอย่าว่าล้าสมัยนะเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากนี่ยคนาขาดศีลขาดธรรมเนี่ยวุ่นวายเนี่ย ถ้าอยากสงบก็คือมีศินมีธรรมนี่นะแหละดังนั้นสินธรรมจึงทันสมัยอยู่ทุกท ก, การทุกเวลานะอย่าไปว่าคนแต่ก่อนไม่ทันสมัยเนะี่ยคนสมัยนี้ไม่ทันสมัยมากกว่าขอใช้คำ ว, ว่าไม่ทันสมัยเก่าไงท่านไม่ทันสมัยใหม่แต่เราไม่ทันสมัยเก่าใครดีกว่ากันนะก็ไปคิดดูก็แล้วกันนะเนาะวันนี้คงจะสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวพาใบผัก Thank you.